หราเข้าใจในเรื่อง <Trustee? S 1> เราต้องเป็นหนึบางทีก็ไ้ว่าก็เกิดอะไรบาง ไม่ต้องเสริมก็ยังได้แต่ว่าอย่าปไปทำลายความเป็นมิดระหว่างเ ด, เด็กมันทำให้เด็กมัทจะทะอย่างน้องแม็กเนี่ยเด็กเจ็ดตัวเพื่อนเป็นลูกทานลมทำรถไฟยี่สิบบาทน้องแม็กรู้ว่าพ้าพ่ เพื่อนหรว่เพื่อนสหายก็จะโนโทษกพรพอน้องแม้ทำไงคน้องแม็กก็ไปขออยู่เงินแน่แม่ไม่ห้เพราะว่าพุ่งแพงโดนไปเท้ายี่สิบาทแล้วตอนเย็นย่ยสบาทน้องแม็ขอร้องแม่ต้องไมห้เพราะว่ากัวว่าพ่็กจะใช้เงินถูงเือยคุยไปคยมาน้องแม็บอกว่า จะเอาเงินน like the ี้แหละไปให้เพื then, ่อนที่ทาเงินหายนก็บอกว่าเพื่อนเขเินหายก็ทํไม่คุ้มชอบเลยทไมต้องชายไปช่วยเาแต่ต้องแม่ไมมการช่วยเพราะรู้ดีว่าเพื่อนถ้าทาเงินหายลอลเนี่ยโดยดีหนักแน่สุดท้ายน้องก็บอกว่าั้นี้แร่จะต้องให้เงิน กาม็แล้วกัขอเอา20บาทจ็ดัน้เป็นาก็เพือนี่เป็นเพื่อนนูนะเนี่ยคุณจะทำคุณจะทเกิดจากอะไรทเกิดจากความใจเพื่อนสงสามเพื่อนและยอมเสียสลัที่จะไม่ออกเงินที่จะไม่ที่จะลดทีจะไม่ยืมขนมจากวันรุงนี้เพื่อมสุกสนนกับเพื่อน เรานี่เรียกวาคุณธรรมถามว่าใครสอนแม่ก็ไ่ไสอนแต่นิพภาพมันนำมาสู่ความเห็นใจคุณธรรมเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เห็นใจผู้อู่รวมทั้งรู้จักรู้สึกรู้สึกรู่สึกผ้อนไม่ทราบ เ, เลยเราย่างพอดีคือมาน้องโย อายุ ป, ประมาณสัก 7-8 ปีเป็นนนั่งมอเตอรไซค์ไปกับป้าและเจิดอุบัติเหตุมอเตอรลงป้าแขนขาดแต่น้องโยหขานีนเละเมื่อนาสง่งโงพยิบาลเดกเกิดทีคค่กระเพาะปอดน้องโยนยังไม่ไ้ไม่ลองสำเลยเจิน้าไปคั ขณที่ป้ายังรอโเลยน้องโยก็ได้ยินทั้งหมหรอน้อยเงี้ยไสหมอมาถามว่าเราาตัดเสร็แล้วทงไ้องโยกไม่ร้องเลยน้องโยบอกว่าปัวป้าเสียใจนี้สี่คำนี้ป้าเสียใจ เขาจะรองเรียนเนี่เขาไปใส้าเขาเลยจะมีคนพาน้องโยมาทำให้ประชาชนเกิดเหตุเนี่ยเด็กโรควิตกกังวลเนี่ยและการที่คุณปฏิบัติมัน่เกิดความกล้าเกิดความคนในสงที่ธรรมดาไม่ได้และจะมาเชอตรงเนี่ยในการที่เราถูกวิ่งหนีมันเป็นพฤติกรรมขึ้นกระบวนการตรงเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ไปไม่ไป ไม่ไปปั training, training, training, training ่นปอนเเชน้องแท้งยเจองเงินของของของแม่อเงินตัวเไปให้้เพื่อนแม่ที่สอนเป็นก็จะบอกว่าทำไมเรื่องสุขภาพจะไปยุ่ทําไมแ้องเดือดร้นทาไมแล้วมเดือดร้อนเสื้อผืนหนึ่งช่วยถ้าสอนโดนแกนี้ก็ไปหยุดสุตัวแต่แม่ของน้องแท้งเอแก็ฉลาดเขก็เห็นว่า นีคืนิสัยที่ดีก็ส่งเสริมนะก็ยอมให้ป็นสานองแรกไปด้วยความด้วยความรู้สึกซึ้งหัวใจสำน้องแรกกให้นิสัยม่ไเป็นิสที่ีไม่ใช่ความไม่ใช่แบบสิ่งที่จะต้องขอแมาว่าประกาศแรกยังรอง้วาพยายามส่งเสริม คุณธรรมหรืวามคิดีดีขงเด็กแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีมันมีแรงกดดันต่างๆที่ทำให้คนหักันตัวพอแม่จะต้องจับเสริมสร้างปลุกปุสแม่เด็กเนี่ยคความหนกัตัวอยากทุกคนสุขสบายเวลงทีกอนอนเด็กที่คนื่ เมื่อเราก็สึงใครนะไม่ถึงพี่น้องไม่ถึงพ่อแม่ไม่ถึงคนใช้ไม่ถึง ค, คนในบ้านเวลาเด็กเน่ยเขาไม่ดูแลไป่ทงความสะอาไม่รับผิดชอบเข้าอกองตัวหรือว่าทำมาสคอตบางทีพ่อแม่ก็มีแต่ถามว่า ถ้าหนเป็นพ่อแม่จรู้สึกยังไงถ้าท่านหนูแบบนี้คือการสอนเนี่ยสอนด้วยการตั้งคำถามให้เด็กต้อคิดเด็กก็จะเริ่มคิดเต็มแล้วเขาก็จะเริ่มคิดในมุมของนนตัวื่นด้วยไม่ได้คิดแต่ในมุมของตัวทุกวันนี้คนยิ่งโง่ามากเพราะว่าคิดแต่ในมุมของตัวเองไม่สามารถคิดในมุมของคนอื่นได้ ไม่สามารถที่จะหยั่งใจไปรู้ไปเข้าใจวัาเารู้สึกอย่างไรแต่ถ้าเราสอนในการถามเด็กให้รู้สึกหัวใจของผูอให้คิดถึงคนอื่นบ้าเด็กก็จะเลิกสมัครระวังที่มัไม่ไปตอปัญหาถ้าปัญหาอย่างหนึ่นี่เราเริ่มเรื่องตื่้นัึว่าการรูึกหัวใจการรู้ควารู้สกของพ่อแม่ของคนใช้ ไม่ใช่ว่าให้มันเป็นคนใช้เนี่ยต้องใช้กันยู่เี่ยวเขารบเขาด้วยและสิ่งเัลนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การลดกวามามไปตาไปสู่การลดควมูงเมื่อโตขึ้น ลูกมาบอกาม่งอ้น่นทำเหมือ น, น, นเิมซึ่งก็หมายความว่าเราก็จะมีทุกคนต่อเข้านอนได้ทีสองก็คือว่าต้องเข้ามาควบคุมควบคุมการใช้เวลาหรือการดึงพลั์ของลูก ว่าเวลาใชคนดูเวลาจะได้คนดูบางคนอาจจะใช้เป็นืนว่าไม่ให้มีโทรศัพทที่บ้านเลยก็ด้หลายคนก็ทำแบบนี้นะครับโทรทัศท์ที่บ้าน่โทรั์เลยอาจจะมีโทรทัศน์เพื่อเปิดดีวีดีหรือสารคดีหรือเปิดโทรทัศน์แต่ พ่อแม่กับลูกต้องมานั่งดูด้วยค่ะแล้วก็ชี้แนะแนะนำลูกถ้าเกิดมีมีภาพเหตนการณซึ่งไม่เหมาะสมก็ชี้แนะว่าอ้แบบนี้มันไม่ดีนะลูกไอตัวีกช้าเนี่ยนะทำนี้ไม่ดีนะหรือ ออชยชาอย่างนี้แล้วถามกว่าลูกย็กเป็นอย่างนี้เป่าหรือรํอ า, มามไม่ถามไม่เด็กคนนึงว่าไคือเด็กในส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบเปิดช้ายอยู่แล้วแต่นชิตจิงนี่เขาอาจาาจะทำตัวจะเปิดช้าได้เด็กคนใหญ่เนี่ยไม่อบโบาณกแต่ว่าคุณราบรับ ข, ข่าวทมาณนเล ก็ต้องแนะนำเด็กหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรมีในโทรัพเราก็มชี้มันแนให้เด็กแก่ใส่ใจหรือว่าศึกษาขั้นาจอย่างแรกนี้ทาอะไรเลยอย่างที่สองก็ง่ายอกันใช่ไหม พ่อแม่ก็เป็นอยาันคืออนกัอย่างที่สามที่ไง่ายอย่างที่สองี่ก็ยากแต่ว่ายัางสามที่ยากกว่าเพราะว่าพ่อไม่ต้องมีเวลาเท่อนี้ในความรำลกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ ย, ย ม, มันยากที่เราจะพูมันไม่เส็จมันยากท่จะเป็นหัววิจารณี่พ่อแม่ต้องรู้ไว้เล สิงสำคัญว่าเราในกาสอนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรับรู้อย่างถูกต้องหรือมีพิจารณญาอย่างเรื่องความรุนแรงหรือว่าภาพโป๊กเลยเนี่ยมันท่าไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าจะมองอย่างไรแล้วเกิดเกิดปัญญาขึ้นมาหรือมองอย่างไรโดงที่จิตใจเนี่ยไม่เป็น ตงีสิกปัญญาแต่พ่อแม่ส่นใหญ่จะใช้วิธีสออย่างคือปล่อยใลยตามเินไปหรือไม่ก็ตทิดกันเป็นเตียงที่สุดโต๊ะางปล่อยอิสระก็มีสุดโต๊ะปิดกั้นทุกอย่างก็ได้ถึงโชคงนี้นนเราก็ท ย, ย่างนี้เพราเราต้อ totally งท ติดเล็บซ้ายเป็นอนดเป็นิ่งซึ่งมันติดไม่ได้อยนะูนะ่แล้วใช่ไหมไม่มีทางติดได้ปัญหาประเด็นคือว่าน่าจะสอนให้เขารู้จักเสร็จรู้จักมองอย่ากมีปัญญาในะสายพิธีการเนี่ยมีผ้าละไรลูกบอลลูกทำได้เพราะแต่ผู้หญิงก็กลังก์กันก์กำลงังอ่อวยวย น, นะ แขกหญิงกำลังร้อ ง, องรำรำเพลอยู่ในจุบสงกรานตท่านมองแล้วเนี่ยท่านมองเป็นทัานสวนสัมเวรแล้วท่านก็บรรลุธรรมตรงนี้ฮะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการมีวิจารณญาณรู้จักคิดภาษ า, า, า, าพิธีศาสนาเรื่อยๆโดยที่สวมราชกา ร, รู้จักคิดจักมองรู้จักเสก ตรงนี้พ่อแม่ต้องสอนครูก็ต้องสอนแต่ไม่ได้สอนการพูดๆๆๆนะแต่สอนเรื่องดให้เขาชอบมองปกดูเด็กดูโฆษณาเด็กดูาพดูแรง้าพดูแรแล้วถามเด็กว่ารู้สอย่างไรแล้วถามเด็กว่าความคิดที่เกิดขึ้นเป็นดีไหมในขณะที่โกรธนะคะที่เกิดอารมณ์ทำเช่นขึ้นมาเนี่ยเห็นความสุขวยหรือเปล่า ความปวเกิดขึ้นความถุนได้เกิดขึ้นเป็กความตันอะไรเกิดขึ้นใหมสอนแต่่เองส่งนึนี่คเรื่องหนึ่งสิ่งแลวต่อไปก็สอนคุณสอนสอนให้เขาเริ่มคิดว่าการน้นนดีหมถูกหรือเปล่าเดก็เริ่มคิดทุกวันนี้เนี่ยเราได้ปสอนให้เด็ก เวลาให้เวลาให้เด็กไปเล่นของเล่นเราจะถามเด็สนกไหมสนุกหรือเปล่าแต่เราไม่ได้ถามเด็กว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจะได้เห็นของเด็กเล่นเนี่ยเห็นเครื่องยนตเห็นเครื่องเห็นเกมต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่ถามว่าเออหนูรู้มันทำงานยังไง เำไมมันถึงยิ้มได้ไ่ได้แล้วไม่ยถ า, าถามว่าสนุกหรือเปล่าไปที่ยวมากก็ไถามแบบไปที่ยวากก็ถามยว่าชอบชอบอะไรบ้างแต่คาถามที่มันช่วยทำให้เกิดความคิดกบบคิดเนี่ยต้องไปถามส่วนหนึ่เพราะว่าเราไม่เคถามตัวเองด้วยถ้าเราไม่ถามตัวเองดีเราก็เราก็ไม่ตอบเราก็ไม่ ส, า ม, ส, สามารถถามดู้ ให้เกิดคำถาประเด็นตรงนี้ได้แล้วมันต้องเริ่มต้นจากจากพ่อแม่หาที่ช่วยรู้จักช่วยกระตุน้นกระบวนการเรียนรู้เด็กช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เด็ ก, ก, ก, รรกด้วยการตั้งคำถามารวมทั้งด้วยการให้ท่วยตอบคำถามบางอย่างคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เดี๋ยวนี้เราจะใช้วิธีการสอนด้วยคงพูดนะแต่ว่าไม่ได้ให้เด็กเรียนรู้เองจากการกระทำของตัวเด็ดเกเนี่ยนะถ้าทําได้ทำายๆอย่างเนียเขาจะเรียนรู้ได้เยอะและถ้ายิมีกูมาชี้แนะพ่อแม่มาชีแ้แนวไม่ต้องสอนแค่ชี้หน้าชีแ้แนวเด็กก็จะเริ่มเห็น จะมาไปไปเทศได้หวันมาเมื่อสองดที่แล้วไปดูงานของคนที่ฉุยที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นที่ที่หลายวงการไปดูงานมากตอจะมาไปเนี่ยศูนย์พุทธธพาไปก่อนหน้านั้นก็มีพวกแพทย์พวกพวก อ, อ, องค์กรต่างๆก็ชวนเด็กไปดูางานที่ฉุยที่เนี่ยก็เป็นเรื่องน่าสีใจหลายอย่าง เขาทำโรงพยาบาลเขาทำสัานพยาบเขาสร้างโรงเยาบาลเขาสร้างมาิทรายรงพยาบาลทั้งเนี่ยเป็นมีชื่อเรื่องของการแทย์ที่อยู่บนใจของความเป็นอูเพราะว่าใครไปโรงพยาบาลเขาได้ีมีความสุขนะหอพยาบาลที่เาอยนใจมูลนิธิเฉลี่ยเนี่ยเขาเต็มในเรื่องของการสาธารณก็มีสมาชิ่ดู เกือบกล้านคนใตวายเ น, นีิยมีไปชันาปที่สุสองล้านคนนะสมาชิกถื่อกีเนี่ยเกือบนึ้าสสแล้วก็มีอาสาสมัครเป็นแสนแสนคนอาสาซาร์ดิเนี้ทาหลายอย่างเช่นไปช่วยลงเ ก, เ ก, เกเลืบาไป็จกซากาเรนเซียนอนรีหนปัเหมือนรงแรบางทีก็ไปเก็บขยะมาแยากขยะ เขาเก่กกงในเรื่องการปลูฝังิจิตสมนึกเรื่องความเฉลียาความเป็นาสนาแลวก็บยนี่ต้แต่โรงเรียนเขาเนี่ยโรงเรียนสุนี่เนี่ยเป็นเรียนที่ใหญ่นะสวยแต่ไม่มีทางลงนะไม่มีทางรงแล้วถามวา่าใครทำารสะอา น, นักเรียนกับครู กเรียนกับครูไม่ใช่เรียนดียวเียูด้วยเามาไปจงเรียนก็เนี่ยโยมยประโโมงเดีววิชาเรียนนะอาจย์บอกว่าเรียนก็ทัดังนักเรียนออมาทาความสะอาดกับครูพ่อแม่ของนักเรียนเนี่ยมีเานะแต่ก็ยินดีจะให้ลูกเนี่ยมาทำทำความสะอาดในโรงเรียน เพ like e so, ื่อส่งเสริมความเสลียวลาและเพื่อให้เด็กทียังรู้จักช่วยตัวเองรู้จักทําอะไรด้วยตัวเองไม่ใช่ใช้แต่หัวและเขาเปิดขานยิงใหญ่มากว่าการทําความทรายไม่ใช่เป็นเรื่องง่าเพราะแม้จัดครูก็มาทําด้วยและนักเรียนที่เรียนดีนะ แต่กาเปลี่ยนยาจะคือไปขัด้องน้ำห้องน้ำนี่จะสมควรไว้สับเนเรียนดีใครที่เล่นไม่ดีไปขัดที่อื่นไปอย่ามาขัห้อสออะไรฮะมันคือการสองสัญญาณว่าการสงสัญญาณว่าการขห้องน้เนี่ยเป็นงานที่มีเกียดและขณะเดียวกันมันก็เป็นการลดตัวโดของแต่งที่เรียนดีเพราะแต่เรียนดีนี่มักจะเคื่อนโดเนี่ยสลาดตัวที่เก่ รับรักโดกันโดยการถ่าคมงามไปโดยเด็กเนี่ยจะได้รับประสบความสเร็ย่หเยี่ยมเฟื่เยี่ยมเฟื่องแค่าเด็กเนี่ยเมื่อได้เห็นคนมความูของผู้ตอนมีคนญีท้ก็จะรู้เว่าโอไอที่เคยขนี่เพราะว่า ไมมีคนสั ja, disorder, ่งซื้อเลยเนี่ยบรรยากาศเด็กนอยบางทุนเด็กก็เด็กหลคนไม่สนุกมากเลยจริงๆนะเด็กเขาเห็นนีและโรงเรียนนี่เนี่ยไม่มีการขายขนมจุดดิ้งขึ้นมีการขายหน้ากากลมไม่มีการเอาคนสั่งซือมาโรงเรียนบางส่วนก็บอกเขาเขาสร้างบรรยากาศเพื่อเด็กเนี่ยไม่เปแข่งขันกัน เรื่องการบริโภคเด็กทุกคนกินอาหารอย่างเดียวกันและไม่ใช่เด็กนะครูก็กินอาหารอย่างเดียวกันนักเรียนไม่มีการแยกห้องพิเศ ษ, ษว่าอันนี้ห้องครูนะกินอาหารอ ย, อ, ยอันนี้ห้องกับนักเรียนนะกินอาหารแย่หน่อยไม่มีครูและนักเรียนกินอาหารสุขภาพกันส่งขัญญาอะไรครับส่งสัญญาเรื่องของความเป็นัหนึ่งอันเดียวกัน ความไม่ไม่มีชนชั้นแ้วเด็กๆ่กนมืโตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นคนต่อร่างของตัวคุณแ่จบเรียญยามาก็จะไปช่วยพยาบาลคนแก่ช่วยดูแลคนที่ลำบากช่วิเนี่ยก็มีกิจกรรมอาสาสมัครไปช่วยดูดส่งใจในพื้นที คนก้กามาช่วยแล้วคนมวนี้เนี่ยเป็นซีอีโอเป็นผิจัการบริษัทเป็นหอเป็นวิศวกลงมาช่วยแบกศงลงมาช่วยทาความสะอาดคนเจ็บคนป่วยเขาจะได้แังไงเขาจะได้เพวามของก็จะเรียกว่าของพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งสกป์กมไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่างเ คนเสมอกันไม่ว่ามีรุนจอเสมอกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าในโรงเรียนเนี่ยเาได้เห็นหรือเปล่าถ้าเป็นโรงเรียนอื่นนะฮะเเห็นถึงความร่กันเป็นระดับชั้นครูก็ชุมชันหนึ่งนักเรียนก็ชุมชั้นหนึ่งครูก็มีหลารชุมชั้อันนี้เนี่ยมัน ส, งสน่งเปนยาให้กักเรียนนะว่า การมองมนุษย์แบบแบ่งขั้นบนนะแต่ที่ี่ไม่มีเหมือนทั้งหมดเพราะนั้นเนีเราเห็นวันดนคืนีเจ้าของบริษัทผลิตเนก้าอันบอันดับงัดับสองของประเทศไปยืนถือกรองรับบริจากตามสูนยการค้าตอนนี้าพนะนายยุ กับประธานกรรมการธนาคาเนี่ยผู้จัดการธนาค า, าของประเทศเนี่ยมายืนทือกองบริจาคเพราะว่ามริมีทีมไวที่ีคนที่บริจาคก็จาซัตตานาบาท1บาบา ง, างคสงสัยยืนถือก่องบริจาคทำไมคุณอยู่ที่กิมูจิสำนักงานชั่วมงนี้ก็ได้เป็นล้านแล้วไเอางล้านบริจาคที่ดีกเลย แต่บอกไม่ได้เาเป็นการฝึกเป็นการฝึกเนี่ยคือการอธายกตัวอย่างที่พี่พเคยนว่าใ้การสู่ฟังคุณธรรมเมันไม่ได้จะมาจากการสอนด้วยด้วยด้วยด้วพูดนะแต่วยการปฏิบัติด้วยการกระทและดวยการเกตากจากผู้อื่น ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่ที่หายไปในกระบวนการถูกปวามคิริเทําในเรียนในครอบครัวในมคนรทย last five เดกนี่เนี่ยความจำมันแย่เลยคนสมัยนี้เมื่อเร็วๆนี้กะลัก ต, ตัดสินใจเด็กในในประเทศไม่รทราบภาษาอังกฤษหรือไงซึ่งใช้เครื่องคิดเลขแล้วก็มีการจดบันทึกอะไรต่างๆไว้เนี่ยในในโทรศัพท์เอาไปในเซอร์อเวอร์พี่ปฏิทินก็มีปฏิทินอะไรแทน อ, อะไรก็ขเขียนไว้ใน อเอร์ในในเครื่องโทรศัพท์ใครเกิดันอะไรก็เราขึ้นไ้ในเครื่องโทรศัพท์ปรกว่ากว่าคึ่นะจำวันเกิดของเพื่อได้ไม่เกิน3าคนจำวันเกิดองรู้จําได้เกิน3าคนนะกว่าครึ่งมันสบายน่ยนะไม่ต้องจําเครื่องมันจำไเ จะเป็นยังไงนะพอเราพอพอเราพอเราติดเครื ahead, starts, learn learn ่องมากเนี่ยให้สมรรถนหรือความสามารถในการจับก็ลดน้อยลงเวลานี้เนี่ยความสามารถคนเราจะลดน้อยกวอยู่ดีนะฮะเพราะเราไปติดความสบายจากเทคโนโลยีเราอยากจะให้รู้เราเป็นอย่างนี้แล้วมีโตขึ้นแล้วเนี่ย จะมเกิดได้ไม่เกินสามคนสี่คนเพราะ้พราะต้องเปิดเปิดเครื่องอจจดื่มเนี่จได้แตนี่ความจำของคนสมัยนี้ลดลงไปบรนะ า, างนะจำอะไรพยามจำไม่ได้แล้วสมัยก่อนเราลำบากนะแตะ่ความลบากนี่ทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งมันทำให้เราอดทนมันทำให้เราเนี่ยาสามารถที่จะ งานได้เดินข้าหน้าความลำบากเนี่เราเราเนมองไปว่ามันมีข้อดีแลวเราเห็นแต่ความข้อดีความสบายจนเป็นอเสียหมู่บ้านตมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเดินาบาเราลหลังแต่ก็มาเมื่อ รัฐบาลเนี ajo, ่ยเขาลาดยางมามาเทมาพอพิชรลาดยางเนี่าบอกวเกิดอะไรขึ้นคนตายเยอะขึ้นเพราะว่าขับรถเร็วเร่งเตะเรยวขึ้นทไมที่เป็นรถลูกหลัไม่ีตายเลยนแต่คนเดือดรถยนต์แต่พอเพลาดยางเนี่ยเนตายเยอะเพราะเป็นขับกันเร็ว คนหน้างสุขบ้านตายมากขึ้นถึงบรรจุปาดีก่สบายเงี้สะดวกนงี้ฮะสบายแตจ่ายแพงเรามจะมองนี่ไปที่เราสบายไปแต่เราซื้อเนี่เหลอย่างเราพุ่งไม่ได้เราไม่สามารถเสียัเป็นได้เพราะต้องเช็คเงินด้วยก่อน แในที là, hai, ่เราปดเฟอรูปก่อนเวลาลูกอยากได้อะไรแม่ให้ลูกอยากได้อะไรพ้อให้เด็กต้องรู้จักความผิดร้อกนะขอเป็นค่าไม่ได้ก็ตายก็ตายแล้วแต่ไม่รักก็ไป่อาตัวไปยิงแฟงตายหรือแม่ก็ไปยิงข้อของแฟนตายพ่อพ่อพ่อตางขวางมัดสยบเยนะัยบเด่นเด่ เพราะว่าเด็กที่เคยพวกเขาคาิดบวังเด็กได้ทุกอย่างพอเด็กเจอความผิดวังเข้าหรือม่าต้องเ็นไว้ก็พับใจไม่ได้พวกคุณมาลงไม่อยู่บางทีก็ขับรถไปชนคนขึ้นปากตายนะหูแห้งสบายเดยจะซื้อเข้ รเป็นท่สบายแมเขบอกเองว่าอยากได้ลายพ่อให้เหมอแล้วเป็นไงนะเจอรถในฝั่งหน้านไม่ได้แทนว่าเอาดิเอาดิเอาดิทุบหน้าคนับไม่หนำใจจะทรวเฉราอยาได้รูปแบบนี้นะอยากมีรูปแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่อยา เราให้เวลาเขาอยให้เขาต้องให้เขาจับความยกรำบากบ้รื่อที่เขาจะตความลบากาเวลาเวลามีโรคระบาดมต้องฉีดยาและยาที่ฉีดไปเนี่ยมันคืออะไรมัคือ ตังกนนการ้นทานเชื้อลมได้น่ยต้องเจอเช้โลมตอน้มีภมิตานานคนเราจะเจอจมีภมตานานอความยากลบากต้องเจอความยากลำบากถ้าไม่เจอความยากลำบากเลยก็ไม่มีภมิตานานต่อความยากลำบากแต่ถ้ารงการเคยเจอเจอเชื้อเชื้อทีนีเชื่อไวรัสลเลยเราต้องมีุมกานานของโลกถ้าอยาใหู้ก วันข้างหน้าวันที่ต้องยอมรับให้ลูกเจอความยอรับลูกทได้เป็นเหมนกันมาความทรัแล้วลูกก็อย่ที่นไได้เจอ ก็สาสวาได้เพราไม่อยากไปเรียนเลยก็ืเรียนเนี่ยมีพาคอยแก้เรียน็สนุอบแก้อดาทีก็เถแลวอไงซืลอเนี่ยเป็นคนชอหลังทั้งลกอินิโววันนึงเา ลดลงคามกลาไปหาไอหมอหน้นเลยรู้่าว่าการงหนังเรื่องต่างาติอยส่ออยางได้พระเอกมาแสดงมาเป็นพระเอกใด้ฉันไ้ไหมหมอน้าที่แล้วก็จำเรียนจัจะมาไม่ดเาไปคิดทุกวันทุกวันตอนนั้นก็บอกว่าไม่ยอ แล้วก็ได้เล่นตัวเองพอถ่ายทาจํจบาก็ว่าเราม้เ็เพื่อนินเลยคือสปิสสสนนสริทบอลเนี่ก็ชนะใจเพื่อนคู่กรณีเนี่ยด้วยการทำความดีหรือผลลักาไรก็ได้ทำความดีคือเราก็จะคิดว่าเราต้องใช้ แรงมาต้องแรงไปแต่รอรูด้วยว่าแรงมาเนี่ยแต่ถ้าไม่มีไม่ไมีใครมันรองรับไรกันแท้เนี่ยไอคนกำลังแรงที่หนเูเจ็บนะเวลวคาคุณฟาดไปแรงๆฟาดแขนเนี่ยฟาดแขนไปแรงๆเนี่ยยิงแขนไปแรงๆเนี่ย ถ้ามีกรนะังตาเนี่างทีแขนนี่ดอกเลยนะแต่ถ้ามีอะไรมาฟานก็จะไม่เปหลังแต่ถ้าฟาแล้วจะาดกางกลางีเจ็บแถ้ลายดือ ย, ยเลาดนึ่คือเราปฏิบัติจจการใช้การไม่ใช้ความแรงมันทำได้หลายอย่างรวมกันากรารใช้ใจก็จะฟังดี หรวการเกิดสิ่งเผามีวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตกว่อนะการเป็นคนดุิอเมริกาเมื่อสักปีก่อนเนี่ไม่อนุญาตนดุรอไปเรียนไปมหาาัยกนเทืขาต่อมาก็มีการระดมอสือทั้งอนุญาตให้คดุรเข้าไปเรียน ก็ไปเรีใ น, นมาวิทยล่วโรคเหงาหได้มีผูคนนึงช่อคาริตาแกเป็นคออนนำคนแรกที่ไ้เข้าไปเรอยนนาวิท่าัแล้วก็เวลาเข้าไปในชั้นเยนนะฮะกก็จะไปนั่งขางหน้าชั้เรียกมา่าเป็นอัศจรรย์ลบังล ง, งไปแล้วก็แทบจะงงเลยแค่ผูว่า ที่ปดนค่ะบางทีก็โดนหัวก็โดนตัวแก็เ็วัยายหน้าว่าชาติีจะยอมแพ้ อาชาสมบัตไก่เล <e <elimination> ือในโรงเรียนแต่ับถุยหลายพันแห่งแห่งรว่าอาชาสมัติเป็นใครอาชาสมนักเรียนนักเรียนฝึกมาเพื่อเรียนก่ลือยมาขัดแย้งเพื่อนนักเรียนมือก็ไก่เปลือยหรเจริญากับคนอื่นเดียวกนีตัวไหนคนมนก็เล่าว่าการเดินบทถนนเนี่ย แต่แล้วก็เป็นคนจี้คนที่จี้นี่ก็ย่มมาไปรื่อยๆสามสีอย่ากก็บอกว่านักคนที่จี้นี่ก็บอกเพื่อนว่าก็บอกกับเพื่อนที่เป็นีว่าเจอร้ สลนี้แก่แต่็ต้องเป็นรู้เปิดสอนแกั้ตอนนี้สหรับรุ่นเราเนี่ยอาจจะบอกว่าเราไม่รู้เพราะว่าสมัยที่เราเกิดมานีเรา ชาแบบยาใช่ีองกากวร่าของชวานเนี่ยคนไทยินหวานมากกินน้ำตาลัทเดืได้เดอะกิลเนละกิ กว่ า, าคืน่นจะคืนให้ก่เจของหรือว่าเอาไปป้อนให้แก่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยพอมีข่าวที่น่าแปลก ท, ที่มันที่มันค้าขายาันกันมากก็คือมีคนเนี่ยเอาเอาเงินใส่ซองซองกมุนเย็นเก้าซอไปทิ้งไว้ในห้องน้ำ จะเขียนข้อความว่าผมขอให้แก่คุณปล่อยดีใน้ต่ลตอเนียไมีความสุขปรากฏว่ามีพอ็นท้าสองแต่คือลำรากไม่มีการยาสไม่อกก็ไม่มีใครมีเป็นัเดียวเลยท่านท่านที่เจ้าสเนี่ย เห็นบอกให้แล้วว่าให้คุณออกไปไม่ใช่ของที่ตกเราลเอรแต่คนที่ปุ่นที่เขาไม่ไม่ออกไปเลยเขาเก็บใส่กะป๋าดินลัต้องเปนตำวจมันมีอยู่ประมาณ27สองใน3ามแห่งแห่งละก้องคนลาเนิ์นะเพราะว่ายีบองเนี่ยคนลเอินตรบเลยถ้าเป็นเรา ข้อคาดูนี่ไม่ได้ตกไม่ได้ตกระเบิเินนะเขาเขียนไว้เลยวาคุณไปเบิขอให้คุณโชคดีด้วยเนี่ยจะได้ทำมาต่อไปถึง่ันท่านก็ือว่าท่านที่เจ้าของข้อค ให้คนในบ้านก็อยากจะมาบอกก็าจะ เวมาเลาใ้คุณผู้รนะแต่ก็คิดว่าถ้าเราไม่เห็นว่าการยอมรับผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็น่ีองทำทไมเรเียหน้าไเพราะพ่อแม่ก็กเนเวลาพ่อแม่ทำผลกพ่อแม่ขอโทษพ่อแม่ยมรับกอามาช่วยแมสิ่งนี้เนี่ยู บางทีก็มารแยกและบางีกจะเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาลูกเจอลูกตรงล้พ่อไปเยียของเล่นก็หาว่าดูสงสาบ 那就他自己的责任，都是他们他自己